แด่หล่ อ, อนพรท่านผู้มีจิตเมตตาการณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่19มีนาคมพุทธศักราช2 5ง9ราเเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีล มาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อศึกษาวิธีสร้างความสุขให้แก่จิตใจที่มีความสำคัญกว่าความสุขทางร่างกายเพราะความสุขทางจิตใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายถ้าเปรียบกับตูนน้ำ ความสุขทางร่างกายก็เป็นเหมือนตุ่ม น, น้ำเล็กๆชวนความสุขทางใจนี้เป็นเหมือนบ่อน้ําใหญ่กว่าสามารถบรรจุความสุขได้มากกว่าความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายก็ได้จากการมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัย มียารักษาโรคถ้ามีครบปัจจัยสี่ก็ถือว่ามีความสุขเต็มที่แล้วสาหรับทางร่างกายจะไม่สามารถมีความสุขมากกว่านี้ได้ผ่านทางร่างกายไม่ว่าจะมีอาหารรับประทานมื้อละห้าสิบบาทหรือมื้อละห้าร้อยบาทก็ได้ความสุขทางร่างกายเท่ากันตือร่างกายก็ กินแล้วก็อิ่มสบายเหมือนกันเช่นเดียวกับเครื่องนุ่งหอมจะเป็นเครื่องนุ่งหอมราคาถูกหรือราคาแพงก็ทำหน้าที่ให้ความสุขแก่ร่างกายได้เท่ากันจะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นบ้านราคาล้อยล้านหรือจะเป็นบ้านเช่าก็ทำหน้าที่ให้กับร่างกายเหมือนกัน ปกป้องรักษาร่างกายให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆเช่นทางธรรมชาติก็ฝนตกแดดออกภัยจากบุคคลต่างๆเช่าบ้านอยู่ก็ปลอดภัยซื้อบ้านร้อยล้านอยู่ก็ปลอดภัยเหมือนกันความสุขที่ให้ได้จากทางร่างกายนี้ก็เท่ากันเพราะมันได้เท่านี้เองเช่นเดียวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จะไปรักษาโงรงพยาบาล30บาทรักษาทุกโรคหรือจะไปรักษาโงรงพยาบาลเอกชนคือหรหมื่นห้าห0อันนี้ก็รักษาได้เหมือนกันรักษาไม่ได้ก็ตายเหมือนกันนี่คือความสุขทางร่างกายที่พวกเราส่วนมากก็มีพร้อมกันทุกคนแล้วครบกันทุกคนแล้วถ้าเราอยากจะได้ความสุขมากกว่า อยากจะเพิ่มความสุขให้มีมากขึ้นเราไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ต่อให้ซื้อบ้านราคา1้อยล้านพันล้านมาอยู่มันก็เหมือนกับอยู่บ้านเช่าไม่แตกต่างกันต่อให้ไปรับประทานอาหารตามโรงแรมตามร้านอาหารหรูหรูหราหากับการรับประทานอาหารข้างถนนมันก็ได้ผลเท่ากันความสุขทางร่างกายได้เท่ากันคือความอิ่ม รดังนั้นเราอย่าเสียเงินเสียทองไปซื้อกับความสุขที่เท่ากันเลยเสียห0บาทก็อิ่มเหมือนกันเสีย500บาทก็อิ่มเหมือนกันซื้ อ, เ, อเงินอีก450บาทมาซื้อความสุขทางใจกันดีกว่า <c oughs> นี่แหละสิ่งที่พวกเราจะไม่รู้กันถ้าพวกเราไม่ได้มาวัดมาฟังเทศฟังธรรม พวกเราก็จะถูกความหลงหลอกให้พวกเราหาความสุขผ่านทางร่างกายการเพลียอย่างเดียวแล้วในขณะเดยวมกันก็มีแต่ความทุกข์ทางจิตใจไม่ค่อยมีความสุขทางจิตใจเลยเพราะจิตใจต้องวุ่นวายกับการหาความสุขให้กับทางร่างกายเลยไม่มีเวลาหรือไม่รู้ว่าจะต้องมาหาความสุขให้กับจิตใจ อางที่เราจะหาความสุขให้กับจิตใจนี้เราต้องสร้างคุณธรรมขึ้นมาภายในใจคุณธรรมที่ดีงามจะเป็นเหตุที่ทำให้เรามีความสุขใจคุณธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นสร้างกันขึ้นมาก็มีอยู่สีข้อด้วยกันคือหนึ่งเมตตาความรับความปรารถนาดีต่อผู้อื่น 2. กรุณาความสงสารสามุดิตาความชื่นชมยินดีกับความสุขกับความเจริญของผู้อื่นและสอุเบกขาการทำใจให้เป็นกลางให้สงบให้เย็นให้สบายนี่คือคุณธรรมที่เราควรที่จะมาเสริมสร้างกัน อย่างมนยด้ยากโยมก็มาสร้างความเมตตาด้วยการมาทำบุญทาทานการทำบุญทำทานนี้ก็คือเป็นการสร้างความเมตตาคือเราปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขเราอยากให้พระสงฆ์องค์เจ้าสมมาเนทีมาบวชอยู่นี้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเราก็นำเอากับข้าวกับปลาของขาวของหวาน เพิ่มใช้ไม้ส้อยต่างๆมาให้กับพระเนรทำให้พระเนรไม่ขาดแคลนไม่อดอยากทำให้พระเนรอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายเพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของพระเนรคือศึกษาพระธรรมคำสอนของพรพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติจนเห็นผลแล้ว ก็จะได้เอามาสั่งสอนให้แก่ญาติโยมอีกต่อหนึ่งเพราะญาติโยมจะไม่มีเวลาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเหมือนกับพระเนนก็เลยต้องอาศัยการสั่งสอนของพระเนนที่ได้เรียนจบแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้เห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของการสร้างคุณธรรมเช่นเมตตากรุณา โมดิตาอุเบกขาเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ญาติโยมเพื่อที่จะให้กำลังใจเพื่อที่จะสนับสนุนให้ไปทำในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ให้เรามาเติมความสุขในบ่อใหญ่ดีกว่าความสุขทางใจนี่เราสามารถเติมได้อย่างไม่มีขอบไม่มีเขตยิ่งมีความเมตตามากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นยิ่งมีความการุณามีมุทิตามีอุเบกขามากขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะมีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงความสุขระดับของพระพุทธเจ้าคือปรมังสุขขังบลมมสุขคือเป็นความสุขที่มีเต็มเปีย่ยมอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลาไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้น นี่คือสิ่งที่ญาติโยมควรที่จะให้ความสนใจสร้างกันขึ้นมาหลังจากที่เราได้สร้างความสุขทางร่างกายได้ครบสมบูรณ์แล้วถ้าเรามีบ้านอยู่แล้วมีเสื้อผ้าอาภรณ์ไว้สวมใส่พอเพียงแล้วมีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆแล้วมีเงินไว้สำหรับ เอาไปรักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็ควรที่จะหันมาให้กับการสร้างความสุขทางใจดีกว่าอย่างที่มาวัดในวันนี้ก็มาสร้างความสุขทางใจสร้างความเมตตาเมตตาก็คือให้ความสุขแก่ผู้อื่นเวลาปีใหม่เราก็ส่งสอคสอกัน ส, ก, สก็ ส, ก, สก็แปลว่าส่งความสุข เราต้องการให้คนอื่นก็มีความสุขเราไม่ควรจะรอวันปีใหม่ค่อยมาสออสอกันเราควรจะสก อ, อสอกันทุกวันสอคอสอกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละอย่าไปทะเลาะกันอย่าไปโกรธไปเกลียดกันเป็นพี่เป็นน้องกันควรจะรักกันส่งความสุขให้กับกันอย่ามาแก่งแย่งชินดีแย่งสมบัติของพ่อของแม่สมบัตินี้ไม่มีความหมายอะไร ไม่สามารถให้ความสุขทางใจได้แต่การมีความเมตตาต่อกันนี้จะทําให้พวกเรามีความสุขกันอยู่ด้วยกันรักกันดีกว่าอยู่ด้วยการแล้วทะเลาะ ก, กันเพราะต้องแก่งแย่งชิงดีกันนี่คือคาเมตตาที่เราควรที่จะมีให้กับสบรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ใช่แต่เฉพาะพระภิกษุสัมมาเนยเท่านั้น ส่วนใหญ่ญาติโยมชอบส่งความสุขให้กับพระเนนกันแต่กับคนอื่นนี่ยังต้องเลือกยังไม่ยังต้องดูว่าคนไหนจะส่งคนไหนไม่ส่งคนไหนไม่ดีกับเราเราก็จะไม่ส่งให้เขาส่งไปให้เขาเถิดคนที่เขาไม่ดีกับเราส่งไปบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาก็จะดีกับเราเองความเมตตานี้ชนะความโกรธความเกลียดได้ แต่ความโกรธความเกลียด น, นี้ชนะความโกรธความเกลียดไม่ได้เพระพระเจ้าถึงสอนให้พวกเราแผ่เมตตาด้วยการให้อภัยไม่จองเวรกันเจอคนที่เราไม่รักไม่ชอบก็แผ่เมตตาไปส่งความสุขให้กับเขาไปมีขนมมีอะไรก็แบ่งให้เขากินมีเครื่องใช้ไม่สวยที่เรา เหลือใช้ก็เอาไปให้กับเขารับรองได้ว่าไม่นานคนที่เป็นศัตรูกับเราก็จะกลายเป็นมิตรกับเราเพราะธรรมชาติของคนเป็นอย่างนี้ใครทำดีกับเราเราก็อยากจะทำดีกับเขาใครทำร้ายเราเราก็อยากจะทำร้ายเขาเขาไม่ทำอะไรให้กับเราเราก็จะไม่ทำอะไรให้กับเขาดังนั้นเราต้องเป็นผู้เริ่มต้นอย่าไปรอให้เขาทำ พ่าไม่มีวันที่เขาจะเริ่มต้นได้พวกเรามีบุญมีวาสนามีครูมีอาจารย์ที่ฉลาดที่สอนให้พวกเราสร้างมิตรสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้กับเราด้วยการลงทุนเราต้องลงทุนก่อนเหมือนกับเวลาเราจะทำหาค้าขายเราต้องมีเงินทุนเราถึงจะสร้างโรงแรงสร้างอะไร ได้ถึงจะมีรายได้เข้ามาฉันใดเราต้องการมิตรภาพเราต้องการให้ผู้อื่นเขาดีกับเราเราต้องดีกับเขาก่อนอย่าไปมองส่วนที่ไม่ดีของเขาให้อภัยเขาไปเพราะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราทุกคนที่มีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีแม้แต่ตัวเราเองก็มีส่วนที่ไม่ดีเพียงแต่ว่าเรามักจะมองไม่เห็น เพราะเราไม่ยองมองส่วนที่ไม่ดีเราจะคิดว่าเราดีเสมอแต่ทำไมคนอื่นเขาถึงมองเห็นว่าเราไม่ดีก็เ พ, เพราะว่าเขามองเราทั้งสองด้านแต่เรามักจะมองตัวเราเพียงด้านเดียวงนั้นอย่าไปถือโทษกดเคืองใครเวลาที่เขาพูดไม่ดีหรือทำไม่ดีเพราะถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่ในโลกี้ ที่ยังมีความดีและความไม่ดีปนกันไปแต่เราอย่าไปส่งเสริมความไม่ดีของเขาด้วยการทำไม่ดีกับเขาเพราะถ้าเราทำไม่ดีกับเขาก็จะทำให้เขาจะทำไม่ดีกับเราเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นโทษทั้งกับเขาเองและกับตัวเราเองเขาก็เป็นคนไม่ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็มาทำร้ายเราทำให้เรา ไม่สบายใจไม่สบายกายแต่ถ้าเราทำดีกับเขาเขาก็จะไม่ทำร้ายเราแล้วต่อไปถ้าเราทำดีกับเขาบ่อยๆเขาก็จะทำดีกับเราเพราะนี่เป็นกฎแห่งกรรมเป็นธรรมชาติของจิตใจของสัตว์ทั้งปวงเวลาใครก็ทําดีกับเราเราคิดอย่างไรกับเขาเราก็อยากจะตอบแทนบุญคุณของเขา ใครที่เขาคิดไม่ดีกับเราทำไม่ดีกับเราเราก็อยากจะตอบแทนการกระทำที่ไม่ดีของเขานี่คือเรื่องเป็นปกติของจิตใจของสามโลกเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราต้องอย่าไปทำไม่ดีอย่าไปคิดไม่ดีอย่าไปพูดไม่ดีเพราะจะเป็นการสร้างสัตว์ปูขึ้นมาสร้างความทุกข์ให้กับเราและสร้างความทุกข์ให้กับเขา แต่ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีกับเขาเราจะสร้างมิตรขึ้นมาจะสร้างความสุขให้กับเขาและสร้างความสุขให้กับเรานี่คือความหมายของความเมตตาขอให้เราส่งความสุขให้แก่ผู้อื่นแล้วก็อย่าไปทำร้ายผู้อื่นการรักษาศีลนี่ก็เป็นการสร้างความเมตตา เราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นเราจะไม่ประพฤติผิดประเวณีเราจะไม่โกหกหลอกลวงเราจะไม่เสพสุรายาเม่าเพราะการกระทำเหล่านี้เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมนั่นเองเป็นการสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นการไม่มีความเมตตาผู้ที่มีความเมตตาจะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาด จะทำแต่บุญอย่างเดียวจะช่วยเหลือจะให้เขามีความสุขส่งความสุขขอให้เราคิดว่าปีใหม่ทุกวันก็แล้วกันเวลาเราตื่นขึ้ น, นมาแล้วก็สวัสดีปีใหม่แล้วก็เตรียมส่งสกรสให้กับคนนั้นคนนี้ส่งให้กับคนใกล้ตัวก่อนพอลืมตาขึ้นมาเจอแฟนเจอใครก็ยิ้มให้เขาก่อนเลยส่งความสุขให้เขาก่อน ไม่ใช่เจอหน้าแฟนขึ้นมาก็เบื่งตึงขึ้นมาแล้วถ้าถ้าเบื่อตึงเขาก็เบื่งตึงกลับมาแล้วอยู่ในบ้านก็จะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขเพราะต่างคนต่างเบื่งตึงกันแต่ถ้าถ้าเรายิ้มให้เขาเดี๋ยวเขาก็ยิ้มให้เราพยายามยิ้มให้เขาเอาใจเขาให้ความสุขกับเขาไม่นานเดี๋ยวเขาก็ต้องเอาใจเราให้ความสุขกับเราเพราะมันเป็นธรรมชาติของ จิตใจที่จะตอบแทนบุญคุณของผู้อื่นเราต้องลงทุนก่อนเราอยากจะเอากําไรโดยที่เรายังไม่มีของขายเราต้องเอาเงินไปซื้อของมาขายพอเราขายของได้เราก็จะได้กําไรฉันใดถ้าเราอยากจะให้ผู้อื่นเขาดีกับเรามีความเมตตา ก, กับเรารักเราชอบเรา เราก็ต้องดีกับเขาก่อนรักเขาก่อนเอาอกเอาใจเขาก่อนรับรองได้ว่าเดี๋ยวเขาก็จะรักเราเองชอบเราเองแล้วเขากับเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขนี่คือเรื่องของความเมตตาเรื่องของการสร้างความสุขทางใจข้อที่สองก็ให้มีความกรุณาคืออย่าเป็นคนใจไม้ใจไม้ไส้ระกนง ต้องมีความสงสารเพื่อนร่วมโลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเขายากจนกว่าเราลำบากกว่าเราถ้าเราช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเข้าไปเช่นถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการจ้างลูกจ้างก็ให้เงินก็ามากหน่อยอย่าไปให้แต่แค่ขั้นแรงขั้นต่ำคิดว่าเพิ่มให้ก็สักหน่อยเราต้องการสร้าง ความสงสารสร้างความสุขทางใจตาย ไ, ไปเราก็เอาเงินไปไม่ได้แต่เราเอาความสุขทางใจไปได้นะงั้นถ้ามีลูกน้องก็ให้มันเลินหน่อยเถิดไม่เป็นไรหรอกคิดว่าเรามาทำบุญกันการทำบุญนี้ไม่ต้องทำบุญกับพระเนรทำบุญกับมนุษย์ทาบุญกับสัตว์ได้น่แต่สัตว์เดรัจฉานเราไปปล่อยนอกปล่อยปลาล้วก็เรียกว่าทาบุญ เราสงสารเขาไม่อยากให้เขาไปเป็นอาหารอยากจะให้เขามีสราภาพอยากจะให้เขามีชีวิตอยู่เหมือนกับเราเรามีความสุขอย่างไรเราก็ควรอยากจะให้คนอื่นเขามีความสุขอย่างนั้นถ้าเขารอดไอยกว่าเราเ ง, เงินเงินเท่าน้อยกว่าเราละถ้าเราพอจะแบ่งให้เขาได้ก็แบ่งไป อย่างน้อยเวลาสิ้นปีกำไรก็เอาเงินกำไรนี้มาแบ่งเป็นโบนัสก็ยังดีถ้าไม่สามารถให้เงินเดือนมากได้ก็รอดูผลประกอบการตอนสิ้นปีก็แล้วกันถ้าสิ้นปีมีกำไรก็เอาเงินกำไรนี้มาแบ่งเป็นคนละครึ่งเราเอาไว้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็แบ่งให้ลูกน้องเพราะว่าที่เรากำไรได้นี้ก็เพราะลูกน้องนี่แหละถ้าเราไม่มีลูกน้องเราจะกำไรได้อย่างไร ลูกน้องมันลาออกไปหรือมันทำงานไม่ดีบริการลูกค้าไม่ถูกใจลูกค้าไม่มารับการบริการจากกิจการของเราเราก็อาจจะไม่กำไรหรืออาจจะขาดทุนก็ได้แต่ถ้าเราให้เงินลูกน้องมากหน่อยเอาใจเขาหน่อยสงสารเขาอยากจะให้เขามีความสุขมากขึ้นอยากให้เขามีความสุขเหมือนเรา เราก็ถ้าเกิดเรามีกําไรเราก็แบ่งให้เขาไปคิดว่าเขาเป็นเหมือนกับหุ้นส่วนของเราเพราะว่าถ้าเราไม่มีเขาเราทําคนเดียวไม่ได้ถ้าเขาลาออกไปหมดเราก็ต้องปิดกิจการถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะมีความสงสารมีความเมตตาแล้วเราก็จะเสียสละแบ่งปันประโยชน์สุขที่เรามีอยู่นี้ให้เขาไปได้เพราะความสุข ถ้าได้จากเงินทองก็อย่างที่พูดนี่แหละมันก็เป็นเหมือนเติมน้ําในตุ่มเลกะตุ่มเล็กมันก็เต็มอยู่แล้วเติมเข้าไปเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นแหละสู้เอามาเติมในตุ่มใหญ่ในบอ่อใหญ่ดีกว่ามาสร้างความกรุณากันมาทําบุญให้ทานกันด้วยความสงสารถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ควรจะช่วยเหลือกันนีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินไปรักษาตัว หรือว่ามีมีอะไรบ้านอาจจะไฟไหม้ไปหรือน้าท่วมหรืออะไรที่เขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือก็ควรช่วยเหลือกันคิดว่าเป็นการทำบุญกันเป็นการสร้างเพิ่มความสุขให้กับใจของเราดีกว่าเอาเงินไปกินกินมันก็เพิ่มน้ำหนักให้กับร่างกายเท่านั้นเอง มันไม่ได้เพิ่มความสุขให้กับใจไม่ได้เพิ่มความสุขให้กับร่างกายดีไม่ดีดกลับไปสร้างความเพิ่มความทุกข์ให้กับร่างกายเพราะร่างกายจะมีน้ําหนักมากขึ้นน้าตาลก็จะมากขึ้นไขมันก็จะมากขึ้นหัวใจก็ต้องทำงานหนักขึ้นตับไตไส้พุงก็ต้องทำงานหนักขึ้นสุขภาพก็จะย่มแย่ลงไปโครคภัยไข้เจ็บก็จะเบียดเบียน เราอย่าไปทำอะไรให้กับร่างกายมากจนเกินไปเลยเพราะถ้ามากแล้วมันไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์มันจะเป็นโทษต่อมามาทำประโยชน์ให้กับใจดีกว่าใจนี้ทำมากเท่าไหร่มีแต่มีประโยชน์ไม่มีโทษเลยทำบุญได้มากเท่าไหร่ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นนี่คือเรื่องของความการุณา แลเรื่องที่สก็เรื่องของมุติตาคือเราต้องยินดีกับการมีความสุขความเจริญของผู้อื่นถ้าคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักเขาได้ดิบได้ดีเขาทามาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองเราก็ควรที่จะชื่นชมยินดีเอากระเช้าดอกไม้หรือเอากระเช้าของขวัญแสดงความยินดีถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคู่แข่งขันกับเราก็ตาม แต่ถ้าเขาทำแล้วเขาได้ดีได้ดีก็ควรจะยินดีกับเขาเราจะได้มีความสุขเพราะถ้าเราไม่ยินดีเราก็จะไปทุกข์กับความเจริญของเขาแล้วเราก็อาจจะคิดไม่ดีต่อไปกับเขาจะหาวิธีการแกล้งเขาหาวิธีสกัดความรุ่งเรืองความเจริญความสุขของเขาแล้วก็จะทำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีทำให้เราเป็นคนมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสบายใจ เวลาเห็นใครเขาได้ดิบได้ดีเรากับทุกเนะเราทุกก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาก็ได้ดิบได้ดีเหมือนเดิมเพราะคนเราจะดีหรือจะชั่วนี้อยู่ที่การกระทาของเขาเขาทำดีเขาย่อมได้ดีเขาทำาชั่วเขาก็ต้องได้รับผลของการกระทาความชั่วเราจะไปดียินดีหรือไม่ยินดีก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรแต่การยินดีจะทาให้เรานี่มีความสุขใจ และในขณนะดเดียวกันจะทำให้เราไม่ไปคิดร้ายกับเขาถ้าเราไม่ยินดีเราอิจฉาริษยาไม่อยากจะให้เขาได้เดยดได้ดีเราก็จะไม่สบายใจและเราก็จะไปคิดทำในสิ่งที่ไม่ดีกับเขาต่อไปเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีแทนที่จะสร้างความสุขให้กับใจกลับมาสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจให้กับตัวเราเพราะเราไม่รู้จักแสดงมุติตา ไม่รู้จักการเจริญมุติตาคือยินดีกับความสุขความเจริญของผู้นี่คือข้อที่สามข้อที่สี่ที่เราต้องมาเจริญกันก็นกคืออุบเบกขาทำใจให้เฉยเฉยเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่เราทำอะไรไม่ได้เช่นช่วยเขาก็ช่วยไม่ได้เช่น เ, เขาเป็นโรคมะเร็งจะต้องตายเราทำอะไรไม่ได้ เราอยากจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้เราก็อาจจะเสียใจทุกใจแต่ถ้าเรายอมรับว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เราอยากจะช่วยให้เขาหายแต่ก็ช่วยไม่ได้ช่วยให้เขาไม่ตายก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราไปทุกกับเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ทำจะมีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยใช่เหตุถ้าเราอยู่ในกรณีในเหตุการณ์ที่เราทำอะไรไม่ได้คนด่าเราเราห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องทำใจคนโกงเราเราห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องทำใจคนเกลียดเราเราห้ามเขาไม่ได้ก็ต้องทำใจถ้าเราไม่ทำใจเดี๋ยวเราจะต้องไปทำร้ายเขาไปทำในสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งแทนที่จะทำให้ความทุกข์น้อยลงกับจะเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นแต่ถ้าเราทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ทำใจเฉยๆได้เราจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนด่าเราคนโกงเราคนทำร้ายเราหรือคนที่เรารับจะต้องเป็นอะไรไปตายจากเราไป เราก็จะทำใจเฉยๆไม่วุ่นวายใจของเราก็ยังจะมีความสุขได้ mm hmm. วิธีทำใจให้บรเวขา mm hmm. ก็ต้องมีสติคอยกากับความคิดปรุงแต่งอย่าให้คิด mm hmm. เวลาคิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วเศร้าใจเสียใจก็ใช้ให้คิดพุทโธพุทโธแ ท, ทนไปท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจพอเราไม่ได้คิดถึงเขาเดี๋ยวเราก็ลืม แล้วความไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไปใจของเราก็จะมีความเย็นความสบายมีความสุขนี่คือวิธีสร้างความสุขทางใจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วนาเอามาสั่งสอนให้พวกเราสร้างกันเพราะว่าความสุขทางร่างกายพวกเรามีพอกันแล้วไม่สามารถเพิ่มความสุขทางร่างกายให้ได้มากไปกว่านี้ ถ้าเราอยากจะเพิ่มความสุขเราต้องมาเพิ่มความสุขทางใจกันแล้วก็จะเป็นวิธีดับความทุกข์ทางใจต่างๆไม่ให้ปรากฏขึ้นมาด้วยถ้าเรามีความสุขทางใจความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นมาได้ไม่ได้เลยการที่เราจะมีความสุขทางใจไม่ให้มีความทุกข์ทางใจเราก็ต้องมีคุณธรรมที่ดีงามสี่ประการนี้ คือ 1. ความเมตตาสองความกรุณา 3. ความมุทิตาและสี่ความอุเบกขาขอให้เราหมั่นสร้างทำทั้งสประกายขึ้นมากำกับใจของเราแล้วใจของเราจะอยู่อย่างร่มเปลี่ยนเป็นสุขอยู่กับใครก็จะมีความสุขมีคนรักมีคนชอบเราจะไม่มีใครเกลียดเราจะไม่มีใครรังเกียจจะไม่มีใครทออคิดทำร้ายเราอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการมาเสริงสร้างความสุข ด, ด้วยการสร้างความสุขทางจิตใจด้วยการสร้างคุณธรรมสีประการคือเมตตากรุณามุฎิตาอุเบกขาให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความน่อมเย็นเป็นสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้